วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่12ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นวันหยุดราชการเป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาในวันที่10ธันวาคมญาติโยม ผู้มีจิตศรัทธาฝ่ายธรรมจึงได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดกันมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อผลอันเลิศอันประเสริฐคือการหลุดพ้น จากความทุกข์ต่างๆตามลำดับตั้งแต่ทุกข์ขั้นต่ำไปจนถึงขั้นสูงสุดการที่จะสำเร็จผลของการปฏิบัติได้จำเป็นที่จะต้องมีคุณธรรม สี่ประการด้วยกันที่จะเป็นผู้ผลักดันให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการไปคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ประกอบด้วยหนึ่งอธิษฐานสองสัจจะ 3. วิริยะสขันตินี่คือคุณธรรมที่จะเป็นผู้ขับดันผู้ปฏิบัติให้ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยัง้งจนกว่าจะบรรลุปเป้าหมายที่ต้องการข้อที่หนึ่ง อธิษฐานนี้ความจริงมีสองความหมายด้วยกันคือความหมายทางภาษาไทยและความหมายทางภาษาธรรมที่เราจะพูดถึงนี้พูดถึงความหมายทางภาษาธรรมซึ่งต่างจากความหมายทางภาษาไทยทางภาษาไทยนี้เรา ใช้คำอธิษฐานว่าการขอเช่นอธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองให้แก้วคาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นความหมายที่เราเข้าใจกันทั่วไปเวลาที่เราใช้คำว่าอธิษฐาน ซึ่งไม่ตรงกับความหมายของทางธรรมที่จะเป็นเครื่องผักดันจิตใจให้ปฏิบัติจนกว่าจะได้ผลสำเร็จความหมายทางธรรมของอธิษฐานแปลว่าการตั้งเป้าหมายของการกระทาหรือการตั้งใจที่จะ ที่จะกระทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เป็นการขอเพราะว่าตามหลักธรรมความจริงแล้วขอไม่ได้สิ่งต่างๆที่เราปรารถนาเป็นสิ่งที่ต้องเกิดจากการกระทำของเราไม่ได้เกิดจากการขอจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง ให้ช่วยดนบันดาลให้ข้าพเจ้าได้รำ่ำได้รวยได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นต้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดจากการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เกิดจากการกระทําของผู้ที่ปรารถนาที่จะได้สิ่งเหล่านี้ต่างหาถ้าไม่มีการกระทําเหตุผล ที่จะต้องการก็จะไม่ปรากฏตามมานี่คืออธิษฐานคือการตั้งเป้าหมายของการกระทาหรือการตั้งใจที่จะกระทาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าทรงนั่งอยู่ใต้โคนต้นโพก่อนที่จะตัดสรุ้พระองก็ทรงอธิษฐาน สงอธิฐานว่าจะนั่งอยู่ที่ตรงนี้จะบำเพ็ญจิตตภาวนาไปจนกว่าที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าตาบใดจิตยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปเป็นอันขาดแม้เลือดในห้างกายนี้จะเหือดแห้งหายไปหมดก็ตามจะไม่มีการลุกจากที่นั่งนี้ จะไม่มีการหยุดการภาวนาจะหยุดการภาวนาก็ต่อเมื่อความทุกข์ต่างๆนี้ได้หมดสิ้นไปจากใจแล้วเท่านั้นนี่คืออธิษฐานของพระพุทธเจ้าตอนก่อนที่จะตัดสรุวไม่ได้ทรงขอจากเทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้โดนบันดาลให้ได้ตัดสรุวพระธรรมอนประเสริ์ ก็เป็นสิ่งที่พระองค์จะต้องเป็นผู้ค้นเองหาเองค้นให้ได้จนกว่าจะพบถ้าไม่หยุดถ้าไม่พบถ้ายังไม่พบ ก, ก็จะไม่หยุดการค้นหาจะไม่หยุดการปฏิบัติจะไม่หยุดการภาวนาจะภาวนาสมถะภาวนาสลับกับวิปัสสนาภาวนาค้นหาสัธจธรรมความจริง จนในที่สุดก็ทรงค้นพบพระอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทรงพรมว่าทุกเกิดจากสมุทัยคือตัณหาความอยากนิโรธคือการสิ้นสุดของความทุกขเกิดจากมรรคคือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคแปดนี่เอง อันนี้คือความจริงที่พระเจ้าทรงคนพบเมื่อสรงคนพบแล้วก็สามารถดับความทุกข์ภายในใจของพระองค์ได้พอเมื่อรู้แล้วว่าทุกข์ของพระองค์เกิดจากความอยากของพระองค์เองและจะให้ความอยากยาการและจะให้ความทุกข์หายไปหมดไปก็ต้องทำลายความอยากหยุดความอยากและสิ่งที่จะทำให้ ความอยากหายทาลายความอยากได้ทาให้ความทุกข์หายไปได้ก็คือมรรคนี่มรรคที่มีองแปดหรือย่อส่วนลงก็ศีลสมาธิปัญญาพอได้ทรงค้นพบก็สามารถละความอยากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ให้หมดสิ้นไปได้เลยพระองค์ก็เลยทรง ตัดสรุรู้ว่าตอนนี้ใจของพระ อ, องค์ไม่มีความทุกข์แล้วเพราะใจของพระ อ, องค์นี้สามารถระงับความอยากต่างๆได้แล้วเพราะว่ามีธรรมที่เป็นเครื่องมือในการระงับก็คือศีลสมาธิและปัญญา น, นี่ น, นี่คืออธิษฐานคือเราจะทำอะไรให้สำเร็จนี่ เราจะต้องมีการตั้งตั้งเป้าหมายของการกระทาของเราอย่างเช่นวันนี้ญาติโยมก็ต้องมีการตั้งลาธิฐานว่าวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยมีเวลาว่างวันนี้จะไปวัดจะไปฟังเทศฟังธรรมจะไปปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นการตั้งเป้าหมายแล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมาย ก็อาจจะไม่ได้มาที่นี่อาจจะอยู่บ้านหรืออาจจะไปทำอะไรอย่างอื่นสุดแท้แต่จะมีเหตุจูงใจให้ไปทำเช่นาอาจจะมีเพื่อนมาชวนให้ไปที่ไปที่นั่นที่นี่หรือมีอะไรที่มาดึงดูดใจเช่นเห็นการโฆษณาทางสื่อ ถ่ามีสถานที่เปิดใหม่อยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้พอได้พบได้เห็นก็เกิดความอยากที่จะไปขึ้นมาก็จะไปตามความความอยากความต้องการจะไม่ได้มาวัดเพราะไม่ได้มีความตั้งใจไว้แต่เบื้องต้นแต่ถ้ามีการตั้งใจไว้แต่เบื้องต้นว่าวันนี้จะไปวัดไปฟังธรรมไปปฏิบัติธรรม บางท่านก็จะไปอยู่วัดไปปฏิบัติด้วยนอกจากฟังธรรมแล้วจะไปปฏิบัติต่ออันนี้ต้องมีการวางแผนมีการตั้งเป้าหมายของการกระทำอย่างนี้เราเรียกว่าอาธิษฐานถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะไปไหนดีวันนี้วันหยุ่แต่ไม่รู้จะจะไปไหนเพราะไม่รู้ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะไปทำอะไร ไม่มีอธิษฐานไม่ได้ตั้งอธิษฐานมากออาจจอา็อาจจะอยู่บ้านอาจจะอยู่บ้านนั่งเล่นนอนเล่นหรือทำอะไรไปสุดแท้แต่แต่ถ้ามีการตั้งเป้าหมายว่าจะทำกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อถึงเวลาก็จะได้ไปทำกิจนั้นได้นี่คือข้อที่หนึ่งคืออธิษฐานความตั้ง ตั้งเป้าหมายของการกระทำแล้วเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วถ้าต้องการให้เป้าหมายนี้เป็นไปตามที่ได้ตั้งไว้คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีคุณธรรมข้อที่สองคุณธรรมข้อที่สองก็คือสัจจะสัจจะคือความจริงใจจริงใจต่ออะไรก็จริงใจต่อการตั้งเป้าหมายของเรา จริงใจต่อการอธิษฐานของเราเราอธิษฐานว่าเราจะมาวัดกันในวันนี้ <Yes. S 1> พอถึงเวลาเราก็จะมาวัดตามความที่เราตั้งตั้งใจเอาไว้แต่ถ้าเกิดมีใครมาชวนไปทำอะไรที่อื่น <Yes. S 1> ถ้าเรามีความจริงใจเราก็จะปฏิเสธเขาไป <Yes. S 1> เพราะว่าเรา เมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วเราจะไม่เปลี่ยนใจถ้าเรามีสัจจะแต่ถ้าเราไม่มีสัจจะเป็นคนโลเลเป็นคนเปลี่ยนใจง่ายคิดจะมาวัดแต่พอดีมีเพื่อนมาชวนให้ไปที่อื่นก็เปลี่ยนใจไปเพราะอาจจะเกรงใจเพื่อนแทนที่จะเกรงใจทำก็เกงใจเพื่อนก็เลยเสียธรรมไป ได้เพื่อนแต่เสียธรรมหลวงตามหาบัวท่านเคยพูดว่าเราไม่เกรงใจใครเราเกรงธรรมอย่างเดียวใครจะมาเหนือกว่าธรรมไม่ได้สาหรับท่านท่านยกธรรมไว้เป็นที่สูงที่สุดไม่มีใครที่จะมามีความสำคัญกว่าธรรมท่านถึงได้ธรรมท่านไม่ได้เพื่อนไม่ได้ผูงแต่ท่านได้ลดแห่งธรรม ที่ชนะรถทั้งปวงแต่ถ้าเราเป็นคนที่เราเลคนที่ยังไม่มีหลักไม่มีเกีย้ยเราก็อาจจะเสียสัจจะได้คือไม่ตั้งสัจจะคือตั้งตั้งอธิษฐานไว้ลอยลอยแต่ถ้าเกิดมีอะไรอย่างอื่นปรากฏขึ้นมา มีเพื่อนมาชวนไปเที่ยวหรือไปทำกิจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็เปลี่ยนใจแล้วก็ไปตามที่เพื่อนชวนไปอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสัจจะการตั้งสัจจะก็ล้มเหลวไปประโยชน์ที่จะได้รับจากการมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมก็จะไม่เกิดจะไม่ได้เพราะว่าเปลี่ยนใจ เปลี่ยนใจไปทำสิ่งที่เพื่อนชวนให้ไปทำแต่ถ้าเรามีความแน่วแน่มั่นคงต่อความตั้งใจของเราว่าเราต้องการจะไปวันไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมเพราะเราจะได้รับประโยชน์จากการไปศึกษาจากการไปปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมเราก็จะได้รับประโยชน์5ประการด้วยกัน คือเราจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน mm hmm. สองถ้าธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่พอได้ฟังซ้าขึ้นอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นไปตามลาดับ mm hmm. สามจะทำให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิ mm hmm. ความเห็นที่ถูกต้อง mm hmm. เห็นว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์ เห็นว่าอะไรเป็นเหตุของการดับทุกข์เหตุของความทุกข์ก็คือตัณหาความอยากเหตุของการดับทุกข์ก็คือศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เอันนี้เราก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องเพราะถ้าเราฟังธรรมจากผู้ที่รู้ธรรมจริงๆท่านจะไม่แ ส, สดงอะไรนอกเหนือจากอริยสัจสี่ ทำทุกบททุกบาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในาาพระไตรปิฎกนี้เกี่ยวกับเรื่องของการดับทุกข์ทางนั้น<อ>ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการ<อ>ให้การทําความร่ํารวย<อ>การสร้างราบยศสารสญสุข อ, อะไรเลยเก<อ>ี่ยวกับเรื่องของความดับทุกข์เพียงอย่างเดียว อย่างที่มีคาที่ตัดไว้ว่าคำสอนของพระองค์ถึงแม้จะมีมากมายก่ายกองแปด0มืสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ต่างแต่คำสอนของพระองค์ทุกบททุกบาทนี้มีเนื้อหาสาระเรืยมีรสเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับรสของน้ำทะเลน้ำทะเลน้ำในมหาสมุทรนี้ ยะกว้างใหญ่ภพษาลจะมากมายเพียงไหนก็ตามแต่น้ำทะเลหรือน้ำในมหาสมุทรนี้มีรสเดียวกันเหมือนกันหมดนั่นก็คือรสของความเข็มฉันใดธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะมีมากมายหลายบทด้วยกันมีถึงแปดหมื่นสี่พันธรรมบทแต่ก็มีเนื้อหาสาระที่ เหมือนกันหมดคือคือเรื่องของการการดับทุกข์ทั้งนั้นที่สอนให้ปฏิบัติทำชนิดต่างๆนี่สอนเพื่อให้เราไปใช้ในการดับความทุกข์ <c oughs> อย่างสอนเรื่องอธิษฐานสัจจะวิริยะขันตินี่ก็เป็นเรื่องของการที่จะเอาธทมเหล่านี้ไปใช้กับการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ เราจะได้ส ม, มาทิฏิเราจะได้รู้ว่าคำสั่งคำสอนของท่านเจ้านี้มีเป้าหมายอยู่ที่การดับทุกข์เพียงอย่างเดียวถ้าเราต้องการดับทุกข์เราจะไม่ผิดหวังถ้าเรามาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราอยากจะได้อย่างอื่นอยากจะได้ลาบยศสารเสริญสุขอยากจะมีอายุยืนยาวนานปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เราจะผิดหวังเพราะนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เราพุ่งเป้าไปหากันทรงสอนให้เราพุ่งเป้าไปสู่ที่ความดับทุก์เพียงอย่างเดียวนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมข้อที่สามคือมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นทุกสมุทัยนิโรธมากเข้อที่สี่อย่า ก, กําจัดความสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับธรรมต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังว่านิพพานมีจริงหรือการเวียนว่ายตายเกิดนี่มีจริงหรือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นไปได้จริงหรือไม่และใครเป็นผู้ไปเวียนว่ายตายเกิดริงเหลน่นี้ถ้าเราฟังธรรมแล้วเราก็จะเข้าใจเราจะรู้เราจะไม่สงสัยในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด ตายแล้วไม่สูญถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเราอาจจะคิดว่าคนตายแล้วก็สูญเพราะเมื่อร่างกายตายไปแล้วร่างกายก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปย่อยสลายไปแล้วใครละ่ะที่จะไปเกิดใหม่ใครจะไปเวียนว่ายตายเกิดใหม่ใครจะไปสวรรค์ใครจะไปนิพพานอันนี้แม้แต่ทางวิทยาศาสตร์ก็ให้คำตอบไม่ได้ เมื่อวิทยาศาสตร์หาคำตอบไม่ได้วิทยาศาสตร์ก็เลยตัดบทไปว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อไปเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นเรื่องเพ้อฝันไปไม่ใช่เรื่องของความจริงเพราะวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่าตายแล้วจบตายแล้วก็ร่างกายก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปแต่ถ้าได้ศึกษาธรรมแล้ว ได้ยินได้ฟังทาอยู่เรื่อยๆเราจะรู้ว่าตายแล้วไม่จบผู้ที่จบคือร่างกายแต่ผู้ที่ไม่จบก็คือใจเพราะชีวิตของเรานี้ไม่ได้ประกอบขึ้นเพียงร่างกายเพียงอย่างเดียวนอกจากร่างกายแล้วเรายังมีใจเป็นส่วนประกอบเอีกส่วนหนึ่งเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นใจได้ท่นั้นเอง พอใจเป็นธรรมชาติที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายไม่สามารถมองเห็นใจได้จากตาของร่างกายตาของร่างกายนี้เห็นได้แต่รูปที่เป็นปรากฏอยู่ในโลกนี้เท่านั้นแต่ใจนี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ใจอยู่ในโลกทิพย์ใจเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาจะรู้จากใจได้ก็ต้องเกิดจากการ ภาวนานี้เองเกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบรวมเป็นหนึ่งแล้วก็จะเห็นใจปรากฏขึ้นมาอันนี้ผู้ที่ได้ประกฤติได้ปฏิบัติสมาธิทุกคนจะรู้ว่าตายแล้วไม่สูญอย่างนั้นตายแล้วมีผู้ที่ไม่ตายไปกับร่างกายมีอยู่เพียงแต่ว่ายังไม่รู้วิธีที่จะทำไงให้ผู้ที่ไม่ตายนี้ หยุดไปเกิดใหม่เท่านั้นเองหยุดสร้างความทุกข์ให้กับตนเองไม่มีใครรู้ความจริงอันนี้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะรู้เพียงแต่ว่าตายไปแล้วไม่สูงตายแล้วไปเกิดใหม่ตามตามบุญหรือบาปที่ได้ตามไว้ทําบุญก็ไปเกิดในสุขคติ เป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขในระดับต่างๆทําบาปก็ไปเกิดในอบายเป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ในระดับต่างๆแล้วเมื่อหมดบุญเมื่อหมดบาปที่ได้ทำเอาไว้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้นั่งกายของมนุษย์ใหม่รู้เพียงเท่านี้แต่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงถึงจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของใจได้ มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ส่งคนพบเหตุที่ทำให้ไปเวียนว่ายตายเกิดก็เหตุของความทุกนี้เองก็คือตัณหาความอยากทั้งสามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาที่เป็นเหตุที่พาให้ดวงวิญญาณดวงจิตนี้ไปเกิดในภพใหม่เพื่อที่จะได้ไปเสษลูกเสียงกิเลสลดผลทพะใหม่ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ หลังจากที่ได้ไปใช้บุญใช้บาปหมดแล้ว mm hmm. พอหมดกำลังของบุญของบาป ท, ที่จะดึงไว้ให้อยู่สวรรค์หรือยอยู่อาบายใจก็จะกลับมารอรับร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่แล้วก็มาทำบุญทาบาปมาแสวงหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่เป็นรอบเดียวเป็นหลายแสนรอบหลายแสนล้านรอบนะ้วที่ใจดวงนี้ มีการมาเกิดแล้วก็มาทุกข์กับการเกิดคือเกิดแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายมีการพัดภาคจากสิ่งที่รักมีการประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบเป็นต้นอันนี้เป็นวิถีของจิตใจของสัตว์โลกที่ยังไม่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดคือพระนิพพาน จำเป็นที่จะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราฟังธรรมแล้วเราก็จะไม่สงสัยว่าตายแล้วสูนย์หรือตายแล้วไม่ศูนสวรรค์นรกมีจริงหรือไม่มากผลนิพพานมีจริงหรือไม่เราจะไม่สงสัยดัะกําจัดความสงสัยต่างๆได้และประโยชน์ข้อที่ห้าจากการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็คือ ใจจะมีความสงบสุขนั่นเองปกติถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไปดูนั่นดูนี่ทํานูน่ทนทํานี่กิจกรรมต่างๆที่เราทํานี้ไม่ได้ให้ความสุขเหมือนกับความสุขที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมเลยเพราะขณะที่เราฟังเทศฟังธรรมนี้ใจเราจะจดจอมีความตั้งใจอยู่กับ ก, บการฟังธรรมเพียงอย่างเดียวกายว่าจใจของเราจะตั้งอยู่ในความสงบ ร่างกายของเราก็ไม่เคลื่อนไหวไม่มีการกระทำอะไรไม่มีการทำกิจอะไรต่างๆว า, าจาเราก็ไม่พูดคุยกันใจเราก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ใจเราอยู่กับการฟังธรรมคิดอยู่กับเรื่องธรรมที่เรากำลังฟังอยู่เท่านั้นมันถึงทำให้ใจนี้<ม>ได้รับความสุข<ม>ได้รับความสุข<ม>ได้รับปัญญาพร้อมๆกันไป นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเรามีอธิษฐานและมีสัจจะถ้าเราตั้งใจว่าเราจะมาวาดัดมาฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรมพอถึงเวลาเกิดมีใครมาชวนให้เราไปที่อื่ น, นเราก็จะปฏิเสธไปถึงแม้เขาจะมีเหตุมีผลอะไรโน้มน้าวเรามากมายก็ตามแต่ถ้าเราเป็นคนที่เกรงธรรมมากกว่าเกรงเกรงใจคนอื่นแล้ว เราจะต้องปฏิเสธเขาไปเพียงอย่างเดียวเพราะว่าเราได้ตั้งใจอย่างของเราแล้วถ้าเราต้องการทานี้เราเราต้องเสียสละสิ่งอื่นไปแรกกับทรรมถ้าไม่เช่นนั้นบางทีเราก็จะไม่ได้ทำถ้าเราเอาทรรมไปแรกกับสิ่งอื่นเช่นคนที่มาชวนเราอาจจะมีพระคุณกับเราหรือมีอะไรกับเราแต่เราเกรงใจเขาเราก็เลย ยอมเสียสละทมเพื่อไปทำในสิ่งที่เขาต้องการให้เราไปทำแต่ถ้าเรามีความแน่วแน่มั่นคงต่อธรรมเห็นว่าธรรมนี้มีคุณค่ามากกว่า บ, บุคคลที่เขามาชวนเราไปถึงแม้เขาจะมีบุญคุณเราก็อาจจะพูดขอขอสัดไปโอกาสหน้าเพราะว่าได้ตั้งใจว่าจะไปทำเกียนี้แล้วเสียไม่ได้เพราะได้ตั้งสัจจะแล้ว ถ้าอธิบายให้เขาฟังเขาก็อาจจะเข้าใจแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจก็เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้แสดงว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของการมีสัจจะอธิษฐานเขาก็ยังหลงอยู่กับเรื่องของทางโลกอยู่เรื่องของประโยชน์สุขทางโลกอยู่เขายังไม่เห็นประโยชน์สุขของทางธรรมว่ามีคุณค่ามากกว่าประโยชน์สุขของทางโลก อยงที่มีบทธรรมได้แสดงไว้เสมอว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงไม่มีรถอะไรไม่มีประโยชน์สุขอันใดในโลกนี้ที่จะมีคุณค่ามีประโยชน์เท่ากับรถแห่งธรรมประโยชน์สุขจากการได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมอันนี้คือสัจจะ ก่อนที่เราจะตั้งสัจจะทิฏฐานเราต้องถามตัวเราเองว่าแน่วแน่หรือไม่มั่นคงหรือไม่เรามีอะไรที่จะม า, ามางัดมามาทำให้เราเปลี่ยนใจหรือไม่ถ้าเรายังเป็นคนที่โลเลอยู่เราก็อาจจะหวั่นไหวได้เมื่อถึงเมื่อเวลามีอะไรมามาชักมาชวนมาดึงเราไปซึ่งอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะเป็นผลประโยชน์ อยู่ดีๆก็มีคนมาบอกว่าไปทำกิจการตอนนี้แล้วจะได้เงินเป็นหลักร้านขึ้นมาอันนี้ถ้าใจยังไม่เห็นคุณค่าของธรรมอยู่ mm. ก็จะเปลี่ยนใจได้ mm. ก็จะไม่มีสัจจะ mm. ถ้าไม่มีสัจจะ mm. ก็การตั้งใจที่จะทาสิ่งที่เราตั้งใจไว้ mm. ก็จะล้มเหลวไป mm. ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้การก้าวหน้าของเราในทางธรรมนี้จะเป็นไปได้ยากเพราะถ้าเราล้มเหลวครั้งนี้แล้วครั้งต่อไปก็อาจจะล้มเหลวอีกก็ได้ mm hmm. แต่ถ้าเรามีความแน่วแน่มั่นคงเราเมื่อเราได้ตัดสินใจตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำอะไรเราจะไม่เปลี่ยนใจ mm hmm. ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ปฏิเสธ สิ่งอื่นๆหรือบุคคลอื่นที่จะมาโน้มน้าวให้เราไปทําอย่างอื่นได้เราก็จะได้ไปทําในสิ่งที่เราต้องการจะทําแล้วเราก็จะได้ผลได้ประโยชน์จากการกระทำของที่เราของสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราจะทําคือฟังเทศฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมก็จะได้นื้คุณประโยชน์หข้อด้วยกัน แล้วถ้าเราตั้งใจต่อว่าหลังจากฟังธรรมแล้วเราก็จะไปปฏิบัติธรรมอีกวันนี้เป็นวันหยุดเราไม่ต้องไปทํางานทําการจะปฏิบัติธรรมหนึ่งวันกับหนึ่งคืนคือหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนี้เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วก็ไปสิ้นสุดลงเช้าวันพรุ่งนี้อหลังจากฟังธรรมแล้วเราก็ไปกลับไปที่พักถ้าเราจองที่พักไว้เราก็มีที่พักที่เราจะได้ไปปฏิบัติต่อ เพราะว่าผลที่จะดีกว่าที่จะมากกว่าผลที่ได้จากการฟังธรรมยังมีอยู่การฟังธรรมนี้ก็ได้ผลส่วนหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอยังไม่ได้ดับความทุกข์ต่างๆได้หมดสังเกตไหมว่าผลที่ได้จากการฟังธรรมห้าข้อนี้ไม่มีข้อไหนที่บอกว่าจะทำให้ความทุกข์หายไป <c oughs> ความทุกข์ที่จะหายไปได้ก็ต้องเอา ธรรมที่เราได้ศึกษานี้เช่นสัมมาทิฏฐิที่เราได้ว่าทุกเกิดจากการจากความอยากจากตัณหาทั้งสามถ้าอยากจะให้ทุกหมดไปก็ต้องกําจัดตัณหาทั้งสามและธรรมที่จะกําจัดตัณหาทั้งสามให้หมดไปจากใจได้ก็คือมรคคือการปฏิบัติศิงสมาธิปัญญาเมื่อเราฟังเทศฟังธรรมเสร็จแล้ว เรารู้ว่าอาการปฏิบัติของเรานี้อยู่ที่ตรงไหนแล้วการปฏิบัติของเราก็อยู่ที่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานั้วเนีเราก็ตั้งรักษาศีลกันให้เคร่งคัดศีลของผู้ปฏิบัตินี้ก็คือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสอง้ยิบเจ็ดถ้ามีภิกษุนี้ก็ศีลสามร้อยกว่าข้อนี่เป็นศีลที่จะควบคุมกํากับการกระทําทางกายทางวาจา ไม่ให้ออกนอกลูก้นอกทางของธรรมไม่ให้ไปสร้างปัญหาสร้างปันเรื่องสร้างราวที่จะมาเป็นอุปสรรคขวางกาั้นการปฏิบัติธรรมต้องมีศีนศีนสินแปดินสิบสินสองอยี 8, ิบเจ็ดหรือสีน3ามร้อยกว่าข้อสำหรับผู้ครองเรือนครวาสอุบาสกกุบาสิกาก็ศินแปก็พอเพียง สำหรับสามนเนรก็สี่สิบสำหรับพระภิกษุก็สี่สองรอีสิบเจอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติที่ต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจนี้จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติกันปฏิบัติสีงแล้วก็ปฏิบัติสมาธิและปฏิบัติปัญญาตามลำดับมันเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่ปฏิบัติทีเดียว ให้ได้พร้อมกันหมดในเวลาเดียวกันแต่ศีลนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็มาเจริญสมาธิก่อนก่อนที่จะไปที่ปัญญาได้เพราะปัญญานี้ขาดสมาธิแล้วเป็นปัญญาที่จะดับกิเลสไม่ได้ดับความทุกข์ไม่ได้ต้องมีเป็นปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนอันนี้ก็มาถึง ทำข้อที่สามหลังจากที่เรามีอธิษฐานมีสัจจะแล้วเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วหลังจากที่เราฟังธรรมเสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องมีวิริยะนะมีความเพียรมีความเพียรที่จะปฏิบัติกิจที่เราต้องทำเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายของเราคือการพ้นทุกข์ของการดับความทุกข์อาจจะไม่ดับความทุกข์ทีเดียวพร้อมกันหมดเลย เพราะว่าอินทรีย์ของเรากําลังของศีลสมาธิปัญญาของเรานี้ยังไม่มีเต็มร้อยแต่เราก็อาจจะดับได้เป็นบางครั้งบางคราวบางส่วนเช่นทุกข์ที่เกิดจากการทําบาป ก, ก็จะไม่เกิดในวันนี้ถ้าเราไม่มีการทําบาปแล้วถ้าเราจเจริญสตินั่งสมาธิทําจิตให้สงบได้ทุกข์ที่เกิดจากความวุ่นวายความฟุ้งซ่านก็จะหายไป จิตก็จะพบกับความสงบก็พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบได้การปฏิบัติมันเป็นเป็นการปฏิบัติเป็นขั้นๆ้นเป็นตอนตอนเป็นสัตว์เป็นส่วนไม่ใช่ปฏิบัติจบแล้วก็จะบรรลุทีเดียวพร้อมกันหมดเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆสร้างกันขึ้นมาเหมือนสร้างบ้านการจะสร้างบ้านนี้ ต้องมีขั้นมีตอนต้องมีการวางรากฐานก่อนมีลงเสาเข็มมีทารากฐานของของเรือนของเสารองรับน้าหนักแล้วค่อยไปขึ้นคานขึ้นพื้นขึ้นขวาขึ้นหนังคาอะไรตามลำดับไปการปฏิบัติก็เป็นงนั้นแลวจะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องมีวิริยะนี่เองมีความเพียรถ้าขาดความเพียรความพยายามแล้ว เกิดความเกียดข้างขึ้นมาที่เกียจทำวันนี้เหนื่อยขอหยุดก่อนขอนอนก่อนหรือวันนี้เป็นวันหยุดขอไปเที่ยวก่อนอะไรทํานองนี้ถ้าไม่มีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆคือมรรคผลนิพานก็จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีความเพียรพยายามทําหน้าที่ของเราไป ตอนนี้รักษาสิ้นแปดไฟเดี๋ยวเราไปปีกเราไปอยู่ที่พักของเราไปปีกวิเวทเราก็ไปเจริญสตินั่งสมาธิกันอันนี้ต้องมีความเพียรพยายามมีบทที่ทาที่แสดงว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรถ้าไม่มีความเพียร น, นี้สติก็เกิดไม่ได้ปัญญาก็เกิดไม่ได้สมาธิก็เกิดไม่ได้ สติสมาธิปัญญานี้ต้องอาศัยความเพียรเป็นผู้ผลักดันให้เกิดขึ้นมาถึงแม้พระเจ้าทรงสแสดงว่าสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดก็ตามแต่สติก็ต้องอาศัยความเพียรวิริยะต้องอาศัยความเพียรที่จะเจริญสติอย่างสม่ําเสมอจเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับจะไม่ให้ปล่อยให้ใจปราจจะจากการควบคุมดูแลเลย อย่าไม่ให้ปล่อยปล่อยให้ใจไบคิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดถึงเรื่องอดีตบ้างคิดถึงเรื่องอนาคตบ้างคิดถึงคนนั้นคนนี้บ้างจะให้ดืมให้หมดเลยเช่นมาอยู่ที่นี่แล้วให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ในที่นี้ลืมบ้านลืมช่องที่เราจากมาลืมภารกิจต่างๆที่เราทำมาลืมเรื่องราวที่จะเราจะต้องไปทำในวันข้างหน้า เพราะมันยังมาไม่ถึงมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปคิดถึงมันตอนนี้เรามีหน้าที่ทำใจให้ว่าจากความคิดปรุงแต่งต่างๆด้วยการเจริญสติเนี่ยถ้าเราไม่มีวิริยะไม่มีความเพียรพยายามเนี่ยเจริญสติได้แค่นาทีสองนาทีก็หยุดแล้วปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเวลามานั่งสมาธิใจก็สงบไม่ได้ไเพราะว่า ถ้าใจคิดอยู่แล้วการที่จะทำใจให้นิ่งมันนิ่งไม่ได้การจะนิ่งก็ต้องหยุดคิดให้ได้เท่านั้นเอง<ม>นั้นก่อนที่จะมานั่งสมาธิเพื่อให้ใจรวมเป็นสมาธิรวมเป็นหนึ่งศักแต่ว่ารู้<ม>ปราศจากความคิดปรุงแต่งงนั้นต้องเจริญสติคอยควบคุมความคิดมไม่ให้คิด<ม>คิดให้น้อยที่สุด<ม>ให้หยุดคิดให้ได้เป็นพักๆไป จนกระทั่งเวลามานั่งสมาธิถ้าสามารถควบคุมไม่ให้คิดได้สักพหนาทีสิบนาทีใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบความทุกข์ที่เกิดจากความวุ่นวายใจความคิดปรุงแต่งต่างๆก็จะหายไปดับความทุกข์ชั่วคราวได้จากการเจริญสติจากการนั่งสมาธิแล้วถ้าเวลานั่งแล้วเกิดมีอุปสรรคเช่นนั่งแล้ว จ็ยังไม่สงบแล้วเริ่มมีอาการเจ็บปวดตามร่างกายต่างๆมีาอาการคันตรงนั้นคันตรงนี้มีอาการอยากจะเกินน้ำลายอยากจะขยับร่างกายไปทางซ้ายไปทางขวาไปทางหน้าข้างหลังก็ต้องห้ามใจอย่าไปสนใจต้องมีขันติมีความอดทนปล่อยมันเจ็บไปร่างกายจะเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ จะชาตรงนั้นชาตรงนี้ก็อย่าไปสนใจไม่เป็นปัญหาอะไรเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของใจถ้าใจมีสติจดจ่ออยู่กับการภาวนาอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธใจจะไม่เดือดร้อนกับอาการเจ็บปวดหรือเจ็บชาของร่างกายถ้าใจไม่มีสติใจไม่จดจ่ออยู่ ก, กับการดูลมหรือการบริกรรมพุทโธ ไปภาวพะพวนกับเรื่องความเจ็บความชาของร่างกายเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก็จะต้องขยับหรือเลิกการภาวนาไปการภาวนาก็จะล้มเหลวไปไม่ถึงไปไม่ถึงเป้าไปได้แค่ครึ่งทางพอไปเจออุปสรรคคือทุกขเวทนาก็เลยหยุดการภาวนาไปถอยหลัง อันนี้เพราะส่วนหนึ่งก็เกิดจากการไม่มีขันติความอดทนนะต้องมีความอดทนกับความเจ็บแล้วก็อยาไปสนใจกับความเจ็บให้ดึงใจให้มาอยู่กับการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปนึกการเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกไปนะอย่าให้ใจไปมีเวลาคิดถึงความเจ็บเลยถ้าพุโทโธไม่อยู่จะลองใช้อาการสามสิบสองก็ได้ ถ้าเราเคยท่องอาการ32มาแล้วก็ท่องไปเลยเป็นภาษาไทยก็ได้เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกเยือเอนกระดูกม้อหัวใจตัดทั้งผืนท่องไปเหมือนกับเราท่องสูตรคูณหรือท่องเพลงชาติอย่างนี้เพลงชาติเราก็ท่องไปพอท่องบ่อยๆเราก็จะจําได้อาการ32ของร่างกายก็เช่นกันถ้าเราหัดท่องบ่อยๆแล้วก็จะจําได้แล้วเราก็จะสามารถเอามาใช้ ในการจเจริญสติได้ในการที่จะดึงใจไม่ให้ไปพวกรโหนไปกังวลกับเรื่องของความเจ็บปวดของทางร่างกายได้นอันี้หลายวิธีเวลาที่เจอทุกขเวทนาที่เราจะสามารถฝันฝ่าทุกขเวทนาได้การใช้คำบาลีกรรมการใช้การท่องชื่ออาการสามสิบสองหรือกา ร, 32, วการสวดอิติปิสโสไปก็ได้ การทําอย่างนี้จะดึงใจไม่ให้ไปกังวลกับความเจ็บปวดของร่างกายเมื่อเมื่อถ้าเกิดไปกังวลมีความเจ็บปวดก็ใช้ขันติอดทนทนต่อความเจ็บปวดไปแล้วก็พยายามดึงใจให้กลับมาหาพุทโธพุทโธมาหาคำบริกรรมมาหาการสวดอิติปิโสหรือการท่องอาการสามสิบสองไปอย่างได้อย่างหนึ่งถ้าเราทําอย่างนี้ได้เดี๋ยว ใจอาเราก็จะหยุดไปกังวลกับความเจ็บปวดของร่างกายใจจะนิ่งเฉยได้ใจจะมีอุเบขาเกิดขึ้นมาจะวางเฉยจะไม่เดือดร้อนกับการเจ็บปวดของร่างกายถึงแม้ว่ความเจ็บปวดของร่างกายจะไม่หายไปแต่ความเจ็บปวดที่รู้สึกทรมานนั้นกลับไม่ทรมานเสียแล้วเพราะความทรมานนี้ไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บปวดแต่อยู่ที่ใจที่ไปกังวลกังวาย อยู่ที่ใจที่ไปอยากจะให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปต่างหากพอเราใช้อุบายของสติด้วยการบริกรรมพุทโธด้วยการสวดอิทธิบิโสด้วยการท่องอาการสาสิบสองตามที่เราถนัดใจก็จะลืมเรื่องความเจ็บปวดของทางร่างกายความอยากให้ความเจ็บปวดหายไปก็ถูกระงับไปพรอความอยากถูกระงับเนี่ย ความอยากคือตัณหานี่เองเวิภาวะตัณหาถูกระงับด้วยมรรคคือสติเพราะถูกระงับด้วยมรรคด้วยสตินิโรธก็ปรากฏขึ้นมาความทุกข์ความกวลกวายใจความเครียดที่มีอยู่ในใจก็หายไปใจก็นิ่งเย็นสบายอยู่กับความเจ็บปวดได้อันนี่แหละคือเรื่องของการปฏิบัติน จำเป็นที่จะต้องมีวิริยะมีความเพียรมากแล้วก็มีขันติความอดทนมากมถ้ามีความเพียร น, น้อยความอดทนน้อยก็จะทำได้น้อย<ม>แต่ถ้ามีมากก็จะทำได้มากมมนั้นต้องพยายามเจริญวิริยะความเพียรอยู่เรื่อยๆด้วยการปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ<ม>ให้เดินจงกรมให้นั่งสมาธิ สลับกันไปสลับกันมาอยู่อย่างต่อเนื่องอย่าเอาเวลาไปทำกิจอย่างอืงอ่นนอกจากเป็นกิจที่จำเป็นถ้าเป็นกิจที่จำเป็นก็ทำได้เช่นการดูแลความสะอาดสถานที่ที่พักที่อยู่อาศัยการดูแลร่างกายทำคาาราฟต์ร่างกายการเลี้ยงดูร่างกายด้วยอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นภารกิจที่จำเป็นแต่สามารถทำควบคู่ไปกับการเจริญสติได้ การทำกิจกรรมเหล่านี้เราก็ยังสามารถมีสติกากับการกระทำได้อยู่ให้เราปัดกวาดทำความสะอาดเราก็มีสติอยู่กับงานที่เราทำอยู่พุทโธไปด้วยก็ได้อย่าคุยกันเวลาเราทำงานถ้ามีร่วมกันทำหลายคนต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตนไปอย่าคุยกันการคุยกันนี้เป็นเครื่องหมายของการไม่มีสติ ถ้าไม่อยากจะถ้าอยากจะมีสติแล้วไม่คุยกันจะจดจออยู่กับงานที่เราทำเป็นอย่างเดียวแล้วเราก็จะได้ประโยชน์สองสองอย่างเลยประโยชน์ทางงานที่เราทำอยู่และประโยชน์ทางใจประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสตินี่เองถ้าเป็นนักปฏิบัติล้วจะ จะไม่ให้เสียเวลากับการเจริญสติไม่ว่าจะทำภารกิจอะไรก็ตามจะต้องมีการเจริญสติควบคู่ไปด้วยจะได้ไม่เสียเวลาจะได้ไม่ถดถอยจะได้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆพอทำภารกิจต่างๆจาเป็นที่เสร็จแล้วก็ไปปีกวิเวกที่พักของเราแล้วก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อจะไม่ไปคลุกคลีกัน จะไม่ไปนั่งจับกลุ่มคุยกันการคุก ค, คีกันนี้ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งสติก็จะกระเจางหายไปคุยเรื่องนั้นแล้วก็คุยเรื่องนี้มันมีเรื่องมาให้คุยไปเรื่อยๆอฉันบอกว่าเหมือนกับลิงที่จับที่มันจับกิ่งไม้จับกิ่งนี้แล้วมันก็ย้ายไปจับกิ่งโน้นจับกิ่งโน้นแล้วก็ไปจับกิ่งนี้ต่อมันไม่มีวันหยุดนะ ล, ลิงขณะความคิดก็เนเหมือนกับลิงเนี่ย คิดเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปต่อเรื่องนั้นต่อเรื่องนั้นแล้วก็ไปต่อเรื่องน้นต่อไปเรื่อยๆความคิดจะไม่มีวันหยุดถ้าเราไม่ใช้สติคอยควบคุมบังคับมันนั้นอย่าปล่อยให้มีโอกาสให้คิดทำงานร่วมกันก็ไม่คุยกันเวลาเ ส, สร็จเสร็จภารกิจก็ไม่ให้คุคกคีกันไม่ให้จับกลุ่มคุยกันอันนี้เป็นเรื่องสาคัญถ้าเราหยุด อยู่กับผู้อื่นร่วมกันอยู่เวลาเราไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ปฏิบัติธรรมักจะมีผู้ปฏิบัติธรรมอื่นไปร่วมปฏิบัติกันด้วยเราก็ต้องพยายามอย่าไปคุกคีกันถ้าต้องมารวมทำกิจกรรมร่วมกันก็ทำกิจนั้นไปด้วยการมีสติให้จดจ่ออยู่กับภารกิจที่เราทำอย่าไปสนใจกับผู้อื่นอย่าไปคุยกันอย่าไปทาอะไรกัน ไม่โกรธกันไม่เกลียดกันนักปฏิบัตินี่ที่ไม่พูดไม่คุยกันนี้ไม่ใช่ไม่มีความเมตตาต่อกันแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเวลาที่จะมาแผ่เมตตาให้ต่อกันเป็นเวลาที่จะเจริญสติในสมัยพุทธกาลนี่มีพระอยู่วัดหนึ่งท่านปฏิบัติจเจริญสติแบบไม่พูดไม่คุยกันเวลามาทำกิจร่วมกันก็ต่างคนก็ต่างทำกิจของตน โนชาวบ้านสงสัยคิดว่าภาพมีอะไรกันหรือเปล่าถึงไม่คุยกันเลยไปสอบถามท่านก็บอกว่าอ๋อท่านไม่มีอะไรกันหรอกท่านกําลังเจริญสติท่านกําลังคอยควบคุมความคิดเพราะว่าถ้ามาคุยกันมาทักทายกันนี่มันเดี๋ยวสติมันจะกระเจิงเพราะความคิดมันจะต่อยาวไปถามคุยกันแล้วทักทายกันแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ถามว่าทําอะไรกันอยู่ที่ไหนจะไปไหนอ่ามันเรื่องมันก็จะยาวไป สติก็จะหายไปเพราะสติการมีสติก็คือการไม่มีความคิดถ้ามีความคิดก็แสดงว่าไม่มีสติขอให้เราเข้าใจความหมายของการเจริญสติการเจริญสติเพื่อระ ง, งับความคิดตุ้งตันต่างๆไม่ปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยเราจะคิดตั้งอยู่ในขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญาถ้าจะคิดเฉพาะเรื่องของปัญญาเท่านั้นเองเช่นว่าถ้าเราได้สมาธิแล้วมีอุบเบคาแล้ว ทีนี้เราก็มาขั้นปัญญาได้มาศึกษาทำที่สิ่งที่เรายังผูกมัดอยู่ยังติดอยู่ยังทุกข์กับมันอยู่สิ่งที่เรายังติดอยู่ก็มีอยู่สามสำหรับผู้ปฏิบัตินะคือร่างกายเวทนาและและจิตนะกายเวทนาจิตนะเป็นสิ่งที่ใจยังผูกติดอยู่นะ ไม่พูดถึงเรื่องภายนอกนะเรื่องภายนอกนี้สําหรับผู้ปฏิบัตินี้ถือว่าตัดได้แล้วคือลาบยศสรรเสริญสุขหรือบุคคลต่างๆภายนอกนี้ตัดได้แล้วด้วยปัญญาระดับต่ำเนี่ยเพราะเห็นว่าเป็ น, เ ป, นเป็นทุกข์เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาถึงมาปฏิบัติทำกันแต่สิ่งที่ยังปฏิบัติยังตัดไม่ได้ก็คือความผูกพันอยู่ในร่างกายเวทนาและจิตนี่เอง ก็ต้องพิจารณาร่างกายว่าเป็นร่างกายมีธรรมชาติที่ไม่เที่ยงที่ไม่ถาวรมีการเปลี่ยนแปลงเจริญก็มีการเสื่อมตอนต้นก็เจริญก่อนเวลาออกจากท้องแม่มาก็ค่อยเจริญเติบโตจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่พอเจริญสูงสุดแล้วทีนี้ก็เริ่มเสื่อมลงนะร่างกายก็เริ่มนับถอยหลังนับถอยหลัง อาการต่างๆก็เริ่มชำนุดทุดโทรมหัวใจตับไตอะไรต่างๆกล้ามเนื้อต่างๆก็มีการเสื่อมชำนุดพอมีการเสื่อมชำนุดก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยตามมาแล้วจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆจนในถึงถึงในที่สุดก็จะหยุดทํางานเพราะอาวัยวะต่างๆนี้หมดสมรรถภาพในการที่จะทํากิจของตนได้แล้วหัวใจก็อาจจะหยุดเต้น ไปก็อาจจะหยุดทำงานรับก็อาจจะเสียอะไรเป็นต้นอันนี้เป็นธรรมชาติที่เราต้องเข้าใจและยอมรับให้ได้เพราะถ้าเรารับไม่ได้เราจะทุกข์การรับไม่ได้ก็แสดงว่าเรามีความอยากอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเช่นอยากไม่ให้มันแก่อยากไม่ให้ร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ให้ร่างกายตาย ถ้าเราม erm. ีความอยากอย่างนี subject, like ้เราก็จะสร้างทุกข์ในอริยสัจสี่คือวิภวะทันหานั่นเองพวามีวิภาวะทันหาใจเราก็ทุกข์กันที่เราทุกข์กันนี้ไม่ใช่เพราะว่าความแก่ทําให้เราทุกข์นะความเจ็บความตายไม่ได้ทําให้เราทุกข์แต่สิ่งที่ทําให้เราทุกข์คือวิภาวะทันหาความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายนี้ท่าหาที่เป็นปัญหาเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ในอริยสัจสี่ แล้วจะทำให้ทุกข์นี้หายไปก็ต้องใช้มรรคก็คือปัญญาปัญญาสนับสนุนด้วยสมาธิและศีลศีล ส, สมาธิแล้วก็ปัญญาปัญญาก็ต้องเห็นไตรักเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญ ม, มีการเสื่อมเป็นธรรมดาแล้วก็ต้องยอมรับมันยอมรับความจริงเพราะเปลี่ยนมันไม่ได้ ถ้าไม่ยอมนับก็เท่ากับว่ามีวิภาวะทันหาหรือมีภาวะตันหะถ้ามีภาวะตันหาหรือมีวิภาวะทันหาทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาทันทีไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยที่จะต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องทุกข์กับมันได้แต่เรามีอวิชชาโมหะเราไม่รู้ความจริงอันนี้เราต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกมาสอนพวกเราว่า อย่าไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเลยเพราะว่าเราห้ามมันไม่ได้ที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายทั้นเองนั้นวิธีที่ทำให้เราไม่ทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงต้องเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นว่าร่างกายนี้ต้องเป็นอย่างนี้อนัตตาเป็นเป็นภาวะของธรรมชาติสภาวะธรรมร่างกายนี้เป็นสภาวะธรรมไม่มีตัวตน เราไปสมมติขึ้นมาเองเราไปถือขึ้นมาเองว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้มาครอบครองร่างกายแล้วด้วยด้วยการใช้กระแสของอนามขันกระแสของนามขันก็คือเนี่ยวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อมารับรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพไปแล้วก็ใช้กระแสของสังขารเป็นผู้สั่งการ สั่งการให้ร่างกายเคลื่อนไหวทํำอะไรต่างๆสังขารก็คือความคิดนั่นเองอย่างวันนี้เราคิดมาวัดกันนี่ก็เป็นหน้าที่ของสังขารมาวัดอพอสั่งให้ร่างกายมาวัดร่างกายก็แล้วออกเดินทางเคลื่อนไหวมาตามคําสัง่งแต่ผู้สั่งนี้กับผู้รับสั่งนี้เป็นคนละคนกันเราต้องเข้าใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวตนในร่างกายเราก็ไม่มีตัวตนเราเป็นเพียงธรรมชาติที่รู้ที่คิด ท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราก็จะปล่อยร่างกายได้เราจะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะเราจะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้แก่ผู้เจ็บผู้ตายไปนั่นเองอันนี้ก็คือการพิจารณาธรรมชาติของร่างกายส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องพิจารณาธรรมชาติของร่างกายก็คือร่างกายนี้เป็นของไม่สวยงามซึ่ง กิเลสหรือโมหะอาวิชานี้ชอบหลอกให้เราไปมองว่าร่างกายนี้สวยงามหลอกเราแล้วทำให้เราเกิดมีความอยากที่จะได้เขามาให้ความสุขกับเราด้วยการร่วมเพศกันก็เราต้องหัดดูในส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายพยายามขุดเข้าไปใต้ผิวหนังให้ได้มองดูอาการต่างๆที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังเพราะว่าใต้ผิวหนังลงไปนี้ก็จะมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูก กระดูกก็มีทั้งร่างกายเลยโครงกระดูกตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเนี่ยมีโครงกระดูกแล้วภายในนั้นก็จะมีอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆที่มีรูปร่างไม่สวยไม่งามเลยในรูปร่างเช่นปอดเอยหัวใจเออยตับเออยลำไส้เอยเป็นต้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่มีไม่สวยไม่งามเลยถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะสามารถทำลายความอยาก ที่จะเสร็การได้ที่จะร่วมหลับนอนกับผู้อื่นได้ถ้าเราเห็นว่าร่างกายของเขานี้ไม่สวยไม่งามอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของการศึกษาร่างกายเพื่อให้ใจได้ปล่อยวางร่างกายอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ส่วนเวทนาก็คือความเจ็บไายได้ป่วยนี่คือทุกขเวทนาเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราก็ทุกขกันเพราะเราไม่ชอบทุกขเวทนา เราชอบสุขเวทนาเพียงอย่างเดียวแต่เราก็ต้องศึกษาธรรมชาติของเวทนาเวทนามันก็ไม่ใช่สุขอย่างเดียวมันมีสามชนิดด้วยกันมีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีไม่สุขไม่ทุกขเวทนามันก็สลับไปสลับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันไหนที่เรารับได้ก็ไม่เราก็ไม่เดือดร้อนเช่นสุขเวทนาเรารับได้เวลาสุขเวทนามานี้เราชอบเรารับได้เราไม่ทุกขกับมัน ไม่สุขไม่ทุกข์เราก็พอจะรับได้แต่พอเจอทุกขเวทนานี้เรารับไม่ได้เราเกลียดมันเราชังมันแต่เราก็ห้ามมันไม่ให้มาไม่ได้เราก็ต้องยอมต้องหัดยอมรับมันให้ได้ถ้าเรามีสมาธิมีอุบเบกขาแล้วก็มีปัญญาที่สอนเราว่าเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่จะต้องมาอยู่เรื่อย ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาและมีอุเบกขาเราก็จะทำใจอยู่กับมันไปได้เราก็จะอยู่กับเวทนาทั้งสามได้ไม่ว่าจะเป็นเวทนาชนิดไหนสุขก็อยู่กับมันได้ทุกข์ก็อยู่กับมันได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยู่กับมันได้อันนี้มันก็จะทำให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเวทนาหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายทีนี้เราก็ยังมีความทุกข์เหลืออยู่กับ สิ่งที่มีอยู่ในใจเราที่เราเรียกว่าอารมณ์ต่างๆธรรมอารมณ์ใจของเรานี้ยังมีธรรมอารมณ์ที่มีการขยับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกับเวทนาเวทนามันมีทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ธรรมอารมณ์ก็เป็นแบบเดียวกันมีธรรมอารมณ์ที่สุขมีธรรมอารมณ์ที่ไม่สุขที่ทุกข์มีธรรมอารมณ์ที่ไม่สุขไม่ทุกข์เราก็ต้องเข้าใจว่าธรรมอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมันก็เหมือนกับเวทนา มันอยู่ในจิตนึกเข้าไปเวทนานี้มันมาทางร่างกายเป็นเป็นส่วนใหญ่เวทนานี้มาจากการสัมผสัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสผดทะภะทางร่างกายแต่ธรรมารมณ์นี้มันมาจากภายในใจเราก็ต้องเข้าใจธรรมาชาติของธรรมารมณ์ว่าก็เป็นเหมือนกันเวทนาเหมือนกันเป็นอนิจจ์เป็นอนัตตาเป็นธรรมาชาติที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ แต่เราอยู่กับมันได้ถ้าเรามีปัญญามีอุเบกขาพอเราเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางธรรมอารมณ์ทั้งหลายเหมือนกับเราปล่อยวางเวทนาพอปล่อยวางธรรมอารมณ์ได้เราก็หลุดพ้นจากความทุกข์ที่ไปยุ่งกับเรื่องของจิตได้ยุ่งกับธรรมอารมณ์ได้พอเราละธรรมอารมณ์ได้หมดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเราก็หมดสิ้นไปความทุกข์ที่มันมีอยู่สามขั้นนี่ทุกด้านร่างกายทุกด้านเวทนา แล้วก็ทุกด้านธรรมลุ่มเราก็ใช้การปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปต้องไล่ไปจากส่วนยาไปสู mm. ส่ส่วนละเอียดต้องดูร่างกายก่อนเพื่อปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาที่มาทางร่างกายปล่อยวางความสวยงามของร่างกายให้ได้มองร่างกายให้เห็นว่าไม่สวยงามให้ได้พอปล่อยวางร่างกายได้หมดแล้วก็ค่อยไปแล้วก็ปล่อยวางเวทนาปล่อยวางเวทนา วางเวทนาได้แล้วก็ไปไปปล่อยวางอธาธรรมอารมณ์ที่มีอยู่ในใจพอปล่อยวางหมดใจก็จะนิ่งสงบจะไม่สะทกสะท้านกับภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายทางเวทนาหรือทางจิตเพราะเข้าใจแล้วว่ามันเป็นอนิจจังอนัตตามันเป็นสิ่งที่ต้องเป็นอย่างนี้มีการเกิดการดับมีการเจริญมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ แต่สามารถสอนใจให้รับอยู่กับมันได้อยู่กับมันได้ไม่เดือดร้อนไม่สะทกสะทานเพราะไม่มีอะไรที่จะมาทำร้ายใจได้ร่างกายทำร้ายใจไม่ได้เวทนาทำร้ายใจไม่ได้ทาอารมณ์ทาทร้ายใจไม่ได้สิ่งที่ทำร้ายใจก็คือตัณหาความอยากในในในร่างกายในเวทนาในจิตนี้เท่านั้นเองถ้าไม่มีความอยากในร่างกายในเวทนาในจิตแล้วก็จะไม่มีทุกข์เกิดขึ้นภายในใจต่อไป ทุก็หมดสิ้นไปนี่ก็คือผลที่จะได้รับจากการที่เรามีคุณธรรมสี่ข้อด้วยกันที่จะเป็นตัวผลักดันให้เราไปศึกษาและไปไปปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องนั่นก็เกิดมีอธิษฐานความตั้งใจศัจจะความจริงใจวิริยะความขยันหมั่นเพียรความภาคเพียรสันติความอดทนขอให้พยายามสร้าง ควรจะทมทั้งสี่ประการนี้ฝึกสอนซ้อมไปเรื่อยๆเวลาตั้งใจทำะไรแล้วอย่าเปลี่ยนใจตั้งแล้วก่อนจะตั้งใจก็พิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าน่าไหมดีไหมถ้าดีจริงก็เอาเลยแล้วก็อย่าไปเปลี่ยนใจอันนี้ต้องฝึกไปให้มันเป็นนิสัยแล้วต่อไปมันก็จะได้เป็นตัวที่เครื่องที่จะมาผลักดันการกระทาของเราการดาเนินชีวิตของเราให้ไปในทางที่ จะนำเราไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์นั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวาหา ป, าปุราปริปุเรนติสขาขังเอวะเมวะอิโตทินงังเปตานาังอุ ป, ปกาปะติ อิชิตังปะทิตังตุหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะามณิโชติราโสยะาสพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตาายุสุขีทีกายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารุธมาวะทานติอายุวโนโสุขังพาลามางาำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็เป็นโอกาสที่จะได้ถามกันในตอนนี้ ตอนเดียวเพราะหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะคุยกันอีกงนั้นอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้จะเข้ามาถามเองก็ได้เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือส่งข้อความเข้าทางเพจหรือทาง YouTube ก็ได้จะมีเจ้าหน้าที่ทีมงานจะจัดเอามาอ่านให้ฟังกันสาหรับวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีคุณหมอมาร่วมเทียด้วย <c oughs> ครับผมขอากาบกับพระอาจารย์วันนี้เลยตามมาอ่านคำถามตัวนี้เลยครับพระอาจารย<ช>์วันนี้มีคนติดตามในเ c e b o o k 471คนครับใน u t u ู e พระอาจารย์275คนของดรวี108คนวิทยุออนไลน์8คนในขับเฮ้าส์16คนครับนักกุฏิ77คนวันนี้มีผู้ร่วมฟังธรรมทั้งหมด955คนครับอาจารย์ครับ หรือคำถามก็เชิญอผ่านได้เลยค่ะพระอาจารย์ครับมีคำถามฝากถามนะครับจากนักช ก, การพระอาจารย์ครับข้อที่หนึ่งถ้าเรายังรักสวยรักงามมีเสริมสวยโบท็อกอยู่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมไหมเจ้าคะและมีวิธีอย่างไรบ้างที่จะละตรงนี้ได้เจ้าคะาก็แสดงว่าเราหลงเราเรายังหลงอยู่กับความสวยงามของร่างกาย ซึ่งวันหนึ่งร่างกายมันก็จะกลายเป็นคนแก่ไปหนังเหี่ยวย่นไปแล้วเราก็จะทุกข์ในตอนนั้นเพราะเราไม่สามารถทําร่างกายให้สวยให้งามได้เราก็จะขาดความมั่นใจในตัวเราเองดังนั้นเราต้องพยายามศึกษาดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเช่นความแก่เราก็เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนแม่ว่าเราจะใช้ยาอะไรก็ตาม มันก็ช่วยไม่ได้มาถึงเวลาที่มันจะแกะ่ดันั้นเราต้องพยายามสอนใจให้ยอมรับความความเสื่อมของร่างกายหรือให้มองให้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายที่มีซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังของเราทุกคนทั้งของคนอื่นด้วยอันนี้มีไว้เพื่อกันความไปหลงรักคนอื่นมากกว่าถ้าเราเห็นคนอื่นที่เขาไม่น่าไม่น่าดูแลเราก็ไม่จะไม่มีความรักชอบเขา แต่ถ้าเราไปเห็นเขาหน้าหน้าตาสวยงามหล่อเหลานี้เราก็อยากจะไปหลงรักเขาแต่ถ้าเรามองภายใต้เนื้อหนังของเขาก็จะเห็นโครงกระดูกแต่หน้าของเราเนี่ยก็เป็นเพียงหน้ากากทาด้วยหนังกาบเนื้อหุ้มกระโหลกศีรษะอยู่เท่านั้นเองยิงแต่เราไม่คิดกันเลยมองไม่เห็นกันถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆมองอยู่เรื่อยๆต่อไปเราก็จะเห็นโครงกระดูกเห็นกระโหลกศีรษะยที่อยู่ภายใต้ร่างกาย น, นี้ แล้วความหลงรักคนนั้นคนนี้มันก็จะหมดไปความหึงหวงคนนั้นคนนี้ก็จะหมดไปใครจะไปหวงกระดูกมั <c> ้ง <oughs> อันนี้จะทำให้เราอยู่อย่างสบายอยู่คนเดียวได้ไม่เหงาคนที่ไม่มีการอารมณ์นี้อยู่คนเดียวได้ไม่เหงาไม่ว้าเวากับสบายกับชอบมากกวอยู่กับคนอื่นอยู่กับคนอื่นแล้ววุ่นวายยุ่งยากเรื่องมากอยู่คนเดียวสบายอิสระจะจะทาอะไรจะกินอะไรจะนอนอะไรนี่ ทำได้ตลอดเวลาไม่ต้องถามวันนั้นจะกินอะไรหรือไม่กินอะไระอันนี้เป็นผลดีที่เราได้รับจากการที่เราพิจารณาเห็นอสุภะคือความไม่สวยไม่งามของร่างกายอ่ามีคำถามหรยออาชิรย์อาจารังค่ะอยากจะเรียนถามอาจารย์เรื่องสุขภาพมากค่ะ ยีหนูมีความว่างอยู่แต่มันมีว่างหลายว่างอะคะ่ะว่างประเภทไหนที่ทำให้มีโอกาสที่จะไปบรรลุธรรได้พร ะ, ะเจ้าค่ะพระจ้ก็มันก็ต้องว่างด้วยปัญญาคือปล่อยวางเช่นเห็นร่างกายแล้วก็ปล่อยวางร่างกายไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ไปคิดถึงร่างกายรู้ว่าร่างกายก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นสภาวะธรรมเหมือนต้นไม้ดินดดินฟ้าอากาศมันก็จะไม่ไป ไปยุ่งกับมันมันก็เมืนว่างจากร่างกายค่ะอันนั้นก็บรรลุธรรมได้ค่ะแต่ถ้าว่างจากสมาธิคือทําจิตให้สงบไม่คิดปรุงแต่งนี่ยังเป็นว่างแบบไม่บรรลุธรรมว่างแบบสมาธิค่ะพอออกจากสมาธิมามันก็ไม่ว่างมันก็ฟุ้งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อค่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะทํำยังไงให้จิตไม่ไปติดความผูกพันเช่นเราไม่ได้ติดเรื่องร่างกายของเขาหรือเราไม่ได้ชอบแบบ แบบเหมือนชอบร่างกายค่ะแต่ไปติดที่จิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดที่ความดีของเขาใช่ค่ะก็มองว่าทนอกจากความดีขเขาเขามีความชั่วด้วยไหมบางมุ <laughs> มอมองดูมุมกลับบ้างก็ได้ก็อาจจะทําให้เราไม่ไปหลงกับความดีของเขาคนเรามันมีทั้งสองด้านเหมือ น, นเหมือนเหรียญนนะมีทั้ง ด, มงดีมีทั้งไม่ดีถ้าเกิดไปจะเห็นส่วนที่ไม่ดีของเขาเราก็อาจจะไปเกลียดเขามือน <laughs> นี่เรายังมองไม่เห็นนะั่นเอ ก็เลยไปหลงรักเขาไปชอบเขาก็ต้องพิจารณาว่าคนเรามันก็ไม่มีอะไรแน่นอนอาจจะดีวันนี้แล้วพรุ่งนี้อาจจะไม่ดีก็ได้ให้มองอย่างนั้นถ้าติดเรื่องในความผูกพันทางด้านจิตที่มันผ่านมาในอดีตชาติอะไรก็ไม่ได้ก็ใช้สติหยุดมันอย่าไปคิดถึงอดีตให้อยู่ในปัจจุบันไปคิดถึงความดีของเขาก็คิดว่าเช่นพ่อแม่เขามีความดีกับเรา เขามีบุญคุณกับเราคิดอย่างนี้ก็ได้แต่เราไม่ไปแต่เราก็ต้องมองว่าเขาก็เป็นอนิจจังถึงแม้จิตเขาจะไม่เป็นอนิจจังก็เขาจิตเขาไม่ได้ตาเปกับร่างกายแต่วันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปต้องคิดอย่างนี้มากเราจะได้ไม่ติดเพราะติดแล้วมันจะทําให้เราทุกข์เวลาที่เราจะต้องจากกันมันจะกระเพื่อมนิดๆนะคะพระอาจารย์พอตอนที่เราหมดกําลังก็ต้องไปยากกันอยู่แล้วไปฝุก อยู่ตามนำพัง<ก>แล้วก็ลาจิตเศร้าก็พยายามทาจิตให้สงบมันก็จะหายเศร้าได้ค่ะกลับสาธุค่ะกลับค่ะคำถามที่สองครับสมัยโยมยังเด็กๆครอบครัวพ่อแม่มีลูกสามคนแล้วแต่พ่อกับแม่มีน้องเพิ่มมาแบบไม่ตั้งใจตอนอายุมากพ่อแม่ก็ถามทุกคนในครอบครัวมีมติว่าทาแทง้ง ตอนนั้นโยมยังเล็กไม่รู้ว่าการทําแบบนี้ไม่ดีพอโยมรู้ตอนโตก็ทําบุญให้ทานสวดมนต์ให้น้องที่ทําแทงหรือวิธีไหนจะช่วยให้เราไม่รู้สึกผิดกับการร่วมตัดสินใจผิดๆและช่วยพ่อแม่ได้อย่างไรได้บ้างเจ้าคะจะช่วยบรรเทากรรมตรงนี้ตอนนี้พยายามรักษาศี่ห้าทำบุญทําทานนั่งสมาธิฟังธรรมทุกๆวันแต่ยังรู้สึกผิดอยู่ครับก็ต้องยอมรับผิดไงว่ามันมีการผิดพลาดผิดพลาดจากความไม่รู้ของเรา แล้วก็อามาเป็นบทเรียน ส, สอนใจเราว่าอยากไปทําซ้ำซากอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราไปลบมันไม่ได้ไปเปลี่ยนมันไม่ได้เช่นเราก้อนห็นฟางใส่กระจกรถเขาแตกเนี้ยถ้ามาเสียใจแล้วจะไปทําให้กระจกเขาไม่แตกมันไม่ได้แล้วเพียงแต่ว่าเราก็เอาบทบทเอาการผิดพลาดของเรานี่มาเป็นบทเรียนสอนใจเราว่าต่อไปเราจะทําทอย่างนี้เพราะทําแล้วมันก็จะทําให้เรารู้สึกไม่ไม่ไม่ดี แล้วทำให้คนอื่นเขาเสียหายเดืนอนร้อนก็ทำได้เท่านี้แต่ผลกรรมที่เราทำไว้มันก็ต้องส่งผลตามวาละของมันเราห้ามมันไม่ได้ มีคำถามฝากถามครับคุณแม่เสียอายุ94ปีที่บ้านไม่ได้พาไปโรงพยาบาลเพราะไปหลายครั้งแล้วครั้งสุดท้ายพี่น้องช่วยกันลงความเห็นจะไม่พาแม่ไปโรงพยาบาลจะปล่อยแม่ไปเพราะแม่ติดเตียงรักษาตามอาการกันเองแต่มาคิดเองว่าเราไม่พาแม่ไปหาหมอเราจะบาปไหมคะไม่อยากให้แม่เจาะคอคะ่ะไม่บาปเราเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปทาให้ท่านตายท่านตายโดยธรรมชาติของร่างกายเขา ถ้ามีความจําเป็นจะต้องถมที่มีบ่อน้ําตื้นๆมีปลามีสัตว์อาศัยอยู่เกรงจัจะเป็นการผิดศีลปานาไม่สบายใจเลยค่ะขอเมตตาพระอาจารย์แนะนําอุบายวิธีที่ถูกต้องหรือถ้าพระอาจารย์เห็นว่าไม่สมควรทําเพราะจะไปเบียดเบียนเขาเ่านั้นหนูก็จะไม่ทําค่ะก็วิดน้ํำออกก่อนสิเอาเครื่องสูบน้าวิดออกมาพอเห็นตัวปลาแล้วก็จับมันใส่กระป๋งไว้แล้วเดี๋ยวเอาไปปล่อยตามแม่น้ำลำธารต่อไป ขอสอบถามหลวงพ่อครับครั้งหนึ่งทําสมาธิและเกิดการเห็นเป็นแสงสีต่างๆเหมือนดาวและจิตก็เพ่งสังเกตจากนั้นจิตก็เพ่งที่ร่างกายรู้สึกว่าไม่มีความรู้สึกเหมือนตัวแยกกับจิตจากนั้นก็เพ่งที่ลมหายใจก็รู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวทังลมนิดเดียวจากนั้นก็ออกสมาธิแล้วตกใจเหมือนว่ากลัวตายอยากทราบว่านี่คือสภาวะอะไรครับการปฏิบททัติที่ไม่ถูกนั่นเอง การปฏิบัติที่ถูกต้องต้องอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปสนใจกับภาวะอื่นๆที่เกิดขึ้นมาให้เกาะติดอยู่กับลมหายใจเพื่อทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาแล้วไปตามรู้มันก็เริ่มมีการปรุงแต่งกเกี่ยวกับสิ่งที่เรารับรู้แล้วก็อาจจะทะเลทลายไปเรื่องอื่นต่อไปจนอาจจะเกิดความกลัวเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ทาให้การกระทาสมาธินี้ล้มเหลวไป เพราะนั้นเป็นการขาดสติหรือเป็นการเจริญเจริญสติภาวนาไม่ไม่เป็นไม่ถูกหลักการภาวนาที่ถูกหลักต้องอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวถ้าเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องผูกใจหรือถ้าต้องอยู่กับพุทโธก็อยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวจนกว่าจิตจะเข้าสู่ความสงบแล้วก็ไม่มีอะไรปรากฏนอกจากความว่างกับความสุขกับตัวรู้คือใจ ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ดูต่อไปหรือพุโทโธต่อไปถ้ามีแสงมีอะไรปรากฏก็อย่าไปสนใจอย่าไปเปลี่ยนเป้าของการภาวนาอย่าย้ายจากลมหรืออย่างย้ายจากพุโทโธไปหาร่างกายไปหาแสงเดี๋ยวมันก็ย้ายไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้เกิดการเคลื่อนไหวต่างๆของจิตซึ่งซึ่งจะทำให้มันขัดกับเป้าหมายของที่เราต้องการคือไม่ต้องการให้จิตเคลื่อนไหว ต้องการให้จิตนิ่งอยู่กับที่ต้องให้มันอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งไปอย่างต่อเนื่องเท่านั้นอยากถามครับการที่คนเราถูกหวยบ่อยฝันได้บ่อยๆมันเกี่ยวกับกรรมเก่าไหมครับก็มันก็มีส่วนนะเพราะว่าการฝันของเรานี่มันก็เป็นผลเกิดจากการทำสิ่งต่างๆที่มีที่เราเคยทาในอดีต แล้วมันสังอยู่ในใจของเราพอตอนเรานอนหลับมันก็โผล่ขึ้นมาได้ปรากฏขึ้นมาได้ไม่ควรไปคลุกคลีกับคนพาลหรือสถานที่อโครจรใช่ไหมครับถ้าเป็นไปได้แต่หากจำเป็นจริงๆเราควรทำอย่างไรดีครับพระอาจารย์คือคือว่าคนพาลหรือคนคนง่อคาว่าพาลนี่คือคนง่อ คนที่ไม่รู้คุณรู้โทษของสิ่งที่เรากระทำเช่นอบายมุขนียคนพาลจะเห็นอบายมุขว่าเป็นความสุขแต่บัณฑิตจะเห็นว่าอบายมุขนี้เป็นความทุกข์ถ้าเราไปคบกับคนพาลคนโง่คนชอบอบายมุขเขาก็จะชวนเราไปเสพอบายมุขกับเขาแต่ถ้าเราคบกับคนบัณฑิตเขาจะรู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเขาก็จะไม่ชวนเราไปทำในสิ่งที่เป็นโทษจะชวนเราไปทาในสิ่งที่เป็นคุณ นี่คือการครบคนพาลคบบัณฑิตคือการไม่คบคนพาลคบบัณฑิตเป็นมงคลอย่างยิ่งใจคิดหลายเรื่องในเวลาเดียวกันจะทําอย่างไรให้รวมจิตให้นิ่งได้คะก็ต้องใช้สติพนะยายามหมั่นเจริญพุโทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนตอนน้นมันอาจจะคิดแต่เราไม่หยุดถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะหยุดคิดเอง กลับท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะยมยอ ม, มรับกับความเปลี่ยนแปลงจากความสวยมาเป็นความแก่แต่พอมาเป็นความเจ็บปวดที่ต้องผ่าตัดยังดิ้นและยังอยากให้ไม่ป่วยอยากหายพยายามแก้ทุกข์แต่ก็ยังไม่ถูกทางหนทางมีทางเดียวคือปฏิบัติสติสมาธิปัญญาให้มากๆจนถึงขั้นปล่อยวางได้จริงๆคือจากตรงนี้ใช่ไหมเจ้าคะถึงจะพ้นทุกข์ โยมทำวันละหนึ่งชั่วโมงมาเกือบจะสามสิบปียังปล่อยวางตัวทุกตัวนี้ยังไม่หลุดเจ้าคะ่ะขอพระอาจารย์พานขันแข็งแรงครับอก็ต้องทำต่อไปความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นต้องทำให้มากขึ้นด้วยแลวทำให้ถูกด้วยกราบสอบถามคะ่ะที่พระอาจารย์เคยเทศบอกว่าวันไม่เกิดคืออะไรหรือเจ้าคะคือวัน นี้วันเกิดของลูกเจ้าข่าขอพรจากพระอาจารย์ด้วยค่ะเพื่อให้ลูกได้มีดวงตาเห็นธรรมนี้ขึ้นไปครับวันไม่เกิดก็คือการไม่กลับมาเกิดอีกนะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเะนนเราตายไปแล้วเราก็จะไม่กลับมาเกิดอีกเพราะการมาเกิดทุกครั้งจะต้องมีความทุกข์ตามมาทุกที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายการพัดผ่าจากกันฉะนั้นเวลาฉลองวันเกิดควรจะฉลองวันไม่เกิดจะดีกว่า เพราะถ้าเราได้วันไม่เกิดแล้วเราก็จะพ้นทุกข์ถ้าเรายังมีวันเกิดอยู่เราก็จะต้องทุกข์ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดเพะงั้นการที่จะทําให้มีวันไม่เกิดได้ก็ต้องศึกษาปฏิบัติธรรมทําตามที่พระุทธเจ้าได้ทําะพระพุทธเจ้ามีวันไม่เกิดแล้วพระหลานสาวกทั้งหลายไม่มีวันไม่เกิดแล้วท่านตายแล้วท่านก็ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปจกักรยม น, นันเจ้าค่ะ คุณพ่อป่วยติดเตียงโยมเป็นคนจ่ายทุกอย่างงานก็มีปัญหาต้องออกจาก ง, งานต้นปีนี้ตอนนี้ติดโควิดอีกมึนงงกับชีวิตเราควรวางใจอย่างไรเจ้าคะก็ชีวิตนี้เป็นทุกข์ไงวางใจไงก็ต้องยอมรับกับมันนั่นเองว่ามันเป็นสิ่งที่เราห้ามมันไม่ได้เวลามันจะเกิดขึ้นก็มันก็เกิดขึ้นเป็นอนัตตาเป็นเหมือนเพราะของธรรมธรรมชาติชีวิตเรามีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์โลกธรรมแปด มีลาบยศสรรเสริญสุขแล้วก็มีเสื่อมเสื่อมยศเสื่อมลาบมีนินทามีทุกข์สลับกันไปถ้ามาเกิดในโลกนี้จะต้องเจอกันทุกคนแต่คนฉลาดก็จะเจอแบบเฉยๆไม่ไปยินดียินร้ายกับสิ่งที่มาสัมผัสก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่ถ้าไปยินดีกับมันเดี๋ยวเวลามันหกไปก็จะเสียใจ<ม>ถ้าไปยินร้ายมันก็จะมันก็จะทุกข์น<ม>ั้นต้องฝึกจิตให้เป็นอุเบกขาให้ได้ ให้ปล่อยวางให้วางเฉยไม่ให้ไม่ให้ไปยินดียินร้ายกับสภาวธรรมทั้งปวงคนโง่หาสตางคนฉลาดหาสติเป็นเพราะสะตางเป็นสมบัติชั่วคราวสติเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราใช่หรือไม่ครับนี่คาถามเมื่อคืนนี้ใช่ไหมใช่ท่านเดียวกันได้สตางก็หาสตางก็ได้แต่เอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ชั่วคราว เดีย๋ยวพอตายไปก็เอาเอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแต่ถ้ามีสตินี้จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้คือความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วความสุขนี้จะติดไปกับใจเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดหมดแล้วเลยตอนนี้หมดคำถามแล้วอาจารย์ครับมีใครอยากจะถามยังไหมเชิญถามได้นะไม่ต้องเกรงใจ คนเราถ้าไม่มีธรรมะ ก, ก็จะหลงหาสตางกันเพราะเห็นสตางเป็นพระเจ้าเป็นเหมือนพระเจ้าเพราะสามารถเนรมิตอะไรต่างๆที่เราต้องการได้ความสุขทางทางนั่งกายนี้ต้องมีเงินทองมีเงินทองซื้อคอนโดซื้อรถประมูลป้ายสี่สิบห้าล้านได้มีความสุขกเกินนั้นได้ป้ายมาแผ่นเดียวหมดไปสี้าล้าน แต่ไม่รู้ว่าถ้าเอาสี่สิ้าล้านนี้ไปทําบุญนี่มันจะได้ความสุขกว่าได้ป้ายแผ่นนั่งอีกตั้ตงเยอะแยะเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าความสุขที่เกิดจากการเสียสละเกิดจากการเจริญสตินี่มันเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าที่มีความมีน้ําหนักมากกว่ามีความอิม่มความพอมากกว่าเขาอะไรยังหาไปหาแล้วเดี๋ยวความสุขเราที่เขาหามาได้เดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวเกิดมีข่าวร้ายเข้ามากระทบใจหน่อยเขาก็ทุกข์แล้